ต่อไปตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะขอพูดเรื่องศีลให้พวกเราเข้าใจก่อนโดยมากครูบาอาจารย์พระสงฆ์ถ้าหากว่า ม, มีพิธีกรรมท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะอธิบายเรื่องของศีลให้แก่ ญาติโยมผู้จะมาผู้ขอสินเวลาขอสินมายังพันเตจบแล้วท่านก็ให้สินทันทีท่านก็คงจะไม่มีเวลาที่จะพูดแต่วันนี้หลวงพ่อคิดว่าพวกเรามีเวลาที่จะฟังเรื่องศีลธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจะถือโอกาสนี้อธิบายเรื่อง ศีลให้พวกเราทั้งหลายให้เข้าใจเพราะหลวงพ่อเองคิดว่าเรื่องศีลธรรมถึงพวกเราจะรู้ก็มีหลายแง่มุมที่จะต้องได้ศึกษาคำว่าศีลคำนี้พวกเราก็รับกันมาเป็นเวลานมนานแต่พอถึงพระสงฆ์บอกว่ารับศีล น, นะ ก็ว่ากันตามไปจบเป็นครั้งคไปแต่คำหมายเรื่อว่าคำว่าศีลนั้นมีความลึกซึ้งละเอียดขนาดไหนใครจะเป็นผู้รักษาแล้วรักษาศีลทำยังไงผลที่สุดก็เลยคำว่าศีลก็เลยกลัวกันไปหมดคำว่าศีลพอว่าจะรักษาศีลเท่านั้นแหละโอ้ศีลเป็นเรื่องของพระ เป็นเ ร, เรื่องของผู้เท่าผู้แกเป็นเรื่องของคนวัดคนวาพวกเราไม่ใช่ผู้จะรักษาสินพวกพวกเราทำการทำงานมีหน้าที่การงานจะต้องจัดจะต้องทำเรื่องสินนีเป็นคนที่หมดสภาพไปแล้วที่จะรักษาสินโดยมากพวกเราท่านทางหลายจะเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นเสียมากกว่าแต่ตามไปจริงศินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนที่จะต้องศึกษาจะต้องนำมาประพฤติธปฏิบัติเพราะว่าศีลเป็นชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าว่าคนขาดศีลมากชุมชนสังคมประเทศชาติก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นคำว่าศีลคำนี้คื อ, ค อ, คอกฎถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่ากฎระเบียบวินัยคือกฎหมาย กฎหมายท้องถิ่นกฎหมายครอบครัววิในัยในตัวเองกฎหมายการคุ้มครองให้ให้มนุษยชาติอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอยู่ด้วยกันกับธรรมชาติหรือกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมด้วยความสะอาดด้วยความเรียบร้อยด้วยการร่มเย็นเป็นสุข ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนประเทศชาติของโลกเพราะนั้นสินที่พวกเราจะรับในต่อไปอีกไม่นานนี้ก็คือสินห้าสินห้าเป็นสินของใครเป็นสินของครวาต์ครวาต์คือใครคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายคือสินห้าสินห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานของคนดี ศินสิบสินสัมมาเนศินสองี่สิบเป็นศิลของพระคือแต่ละแต่ละกลุ่มพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้รักษาแต่ละกลุ่มแต่ละคณะให้เป็นผู้รอบคอบในการอยู่ร่วมกันถ้าหาว่าพวกเราขาดศินมากพวกพวกเราก็จะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ว่าสินห้าศินพระอย่างเนี้ย หลวงพ่อเคยอธิบายให้ฟังอยู่กับธรรมชาติไม่ให้เบียดเบียนธรรมชาติอย่างภิกษุภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ของเขียวคืออะไรคือตัดไม้ตัดหญ้าตัดต้นไม้อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ตัดเพราะเหตุไรเพราะว่าทำให้เสียหาย มันธรรมชาติของเขาพระไม่ควรจะไปเกี่ยวยุ่งไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหาว่าพระไปตัดต้นไม้สินข้ อ, ขนขอหนึ่งขาดใน227ข้อน่ขาดข้อหนึ่งไปแล้วเพราะนั้นสินของพระท่าจะว่าไปแล้วก็คือการจูร่วมกับธรรมชาติอย่างอีกข้อหนึ่งบอกว่ า, วาภิกษุถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนเขีย้ยลงในของเขี่ยว คือไม่ให้ถ่ายอุจจาะถ่ายปัจจวะต้วนเขละคือน้ำลายไม่เห็นม้วนน้ำลายไม่ให้ถ่ายลงในหญ้าคือของเขียวชื่อสนามหญ้าอย่างนี้หรือว่าหญ้าที่ของเขียวติ้ตนไม้สดเขียวอย่างเนี้ยไม่ให้ถ่ายอุจละไม่ให้ถ่ายปัจจวะไม่ให้ม้วนเขละลงในของเขียวถ้าว่าภิกษุใดม้วนเขละลงในของเขียวปรับประบาทุกกฎสินขาดไปข้อหนึ่งใน2องยยีดข้อนั้น แล้วก็ห้ามภิกษุไม่ให้ถ่ายอุจจาร ะ, ะปัดเสวะบ้วนเขละคือน้ํำลายลงในน้ําถ้าจะว่าไปศีลของพระพุทธเจ้าคือการอยู่ร่วมกันอยู่กับธรรมชาติให้สะอาดให้เรียบร้อยถ้าว่าภิกษุใดก็ตามถ่ายอุจจาระลงในน้ําปัดเสวะลงในน้ำบ้วนน้ํำลายลงในน้ําเป็นอ ბ ัติทุกกฎ ขาดสินข้อหนึ่งใน227ข้อนั้นเพราะนั้นสินสรุปแล้วก็คือให้พระอยู่กับธรรมชาติไม่ให้ทำลายธรรมชาตินั่นเองเพราะนั้นให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าสินของพระเลยไม่ใช่อื่นไกลคือกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อันนั่นละคือศีลของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วคื อ, คอกฎระเบียบวิ น, นัยกฎหมายบ้านเมืองนั่นเองไม่ใช่อื่นเพราะนั้นพวกเราอย่าไปคิดถือว่าอย่างอื่นศีลศีลก็คือเพื่อให้โลกทั้งหลายอยู่ด้วยกัน ด, ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอนันดับแรกหลวงพ่อจะกล่าวว่านโมนโมคล้ายๆกับว่าก่อนที่จะเราจะรับศีลเนี่ยใครเป็นคนบัญญัต ใครเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนจวัหวนาโมตัสสะปะคะวัโตอรหะโ ต, โตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามจบจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขัง สรานังคัชชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ th ang, th a a ่งดุติยามปิข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สองพุทธังธรรมังสังขังสรานังคัชชามิตาติยามปิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นครั้งที่สว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นกะ่าวเป็นองค์ศิลปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมาทิยมิ ข้าพเจ้าจะหดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนชีวิตของเราเราก็รักสงวนห่วงเหนเช่นเดียวกันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวงศ์สกนายญาติมิตรสหายของเราที่เรารักเคารพนับถือเราก็รักสงวนห่วงแหนแต่ถ้าคนอื่นเขาเขาก็รักสงวนหวงเหนช เ, เ, นหเหนช่นเดียวกักันอย่างพวกเราไปเห็นไก่ แม่ไก่อย่างเนี้ยมันก็รักลูกของมันเหมือนกันถ้าเราไปจะทําลายลูกของมันหรือไปเดินใกล้ลูกของมันมันก็ต่อสู้เพื่อรักลูกของมันเพราะฉะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็รักลูกของมันรักวงศ์สาคนาญาติของมันรักชีวิตของมันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมท่านเป็นกลางท่านเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าพวกเราเอรักษาสิทธิมนุษยชนเรื่ออะไร ยิ่งกว่าพวกเราอีกพระพุทธเจ้าเพราะท่านมีเมตตาธรรมอยู่ในจิตในใจเสมอภาคกันหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตเขาชีวิตเรามีคุณค่าเพระาะฉะนั้นอย่าฆ่ากันพวกเราคิดดูกันแล้วกันนะถูกต้องเป็นธรรมไหมถ้าว่าพวกเราทําใจให้เป็นกลางทําใจให้เป็นธรรมแล้วเราจะ ร, รู้ได้ว่าศินของพระพุทธเจ้านะั้มีคุณค่าสําหรับการอยู่ร่วมกัน ข้อที่สองอธินาทานอาธินาทานาวีรมณีอยา่าขโมยของคนอื่นเขาของเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนเหมือนกับของเราของเราก็รักสงวนห่วงแหนเหมือนกับของเขาถ้าเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอืมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยา่าขโมยซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิชาราเวรมณีการงดเว้นในการประพฤติผิดในครอบในสามีพัญญาของคนอื่นเขาสามีพัญญาของเราลูกเต้าเล้าหลานของเราวงศ์สากนายาตของเราเรารักสงวนห่วงเหนของคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าเราไปล่วงละเมิดเขาไปล่วงอธิปไตยของเขา เขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงละเมิดเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจบางทีอาจจะมีการฆ่าฟันลันแทงกันอย่างที่พวกเราเคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะเหตุไรเพราะเขาสงวนห่วงเห็นไปล่วงล้ำเขาไปดูถูกเหกียดติยำเขาไม่ให้เกียรติเขาเ อ, อย่างเนี้ยเขาก็เสียใจ เราก็เช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าไม่บัญญัติสินข้อนี้ขึ้นมาทําให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพุทองค์จึงบัญญัติสินข้อนี้ขึ้นเนี่ยคือการอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนมีสินข้อนี้เออสามีพัญญาลูกเต้าเ ล, ล้าหลานไปในสถานถิ่นใดเราก็ไม่ละแวงแคลงใจเพราะทุกคนมีศินแต่ทุกวันนี้คนขาดศินมากๆเราเป็นยังไง เราก็วิตกกังวลในการเป็นอยู่ของลูกหลานของพวกเรานี่สินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยมัชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์นะถ้าพูดให้ชัดเจนนะเมลัยนี่ก็คือเบียร์น้องเหล้าการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนดื่มสุราและเมลัยแล้ว เมาพอเมาแล้วขาดสติเป็นผู้ประมาทคนที่ประมาทแปลว่ารักไม่รักษาตัวไม่รักษาลูกเมียไม่รักษาทรัพย์สมบัติไม่รักษาเกติยบเกติศชื่อเสียงลาบยศจันลเสรญของตัวเองปล่อยประละเลยทั้งหมดไปนอนอยู่ที่ไหนก็ได้ไปทำยังไงก็ได้เพราะคนประมาทเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าชั่วขณะ เออที่ขณะที่เมานะเน่ยแปลว่าขาดสติถ้ากินมากขาดสติมากถ้ากินน้อยก็ขาดสติน้อยพอกินเข้าไปแล้วก็นั่นแหละเออถ้าหาว่ากินน้อยก็พอพูดมันๆพูดไม่อายถ้ามากกว่านั้นก็พูดอะไรออกไปการกระทําออกไปสรุปแล้วคือศินข้อที่5เนี่เป็นศินอันตรายอย่างมากข้อหนึ่งถ้าว่าผูดอดไรก็ตาม ถ้าหากว่าหนักศินข้อที่หแล้วข้อที่หนึ่งก็ทําล่วงละเมิดได้ข้อที่สองก็ล่วงละเมิดได้ข้อที่สก็ล่วงละเมิดได้ไหลไปตามข้อที่สีแปลว่าโกหกเป็นของธรรมดาสําหรับคนเมาเพราะฉะนั้นศินห้าข้อของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติใบนี้ถ้าว่าเรานํามาวิเคราะห์นํามาปรับปรุงนํามาแก้ไขนํามา พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นธรรมแล้วศินของพระพุทธเจ้าทั้งห้าข้อมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับชุมชนประเทศชาติสาหรับโลกอย่างมากเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เข้าใจศินของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นี้ที่พวกเราจะรับไปนี้มีคุณค่าต่อพวกเราแต่บางคนก็บอกว่าเอา้าจะให้โลกทั้งโลกจะรับศินห้าทั้งหมดได้เหรอ อันนั้นเราไม่ต้องคิดข้อสำคัญให้เราดูเราให้ดูเราตัวของเราเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีกี่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าจะมีสินห้านับหนึ่งจากเราให้นับหนึ่งจากเราจะไปนับคนอื่นคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้นั้นผู้นี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราไม่ต้องคิดเราข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศินผู้หนึ่งนับหนึ่งจากข้าพเจ้า ต่างคนก็ต่างนับหนึ่งจากเรานะนับหนึ่งจากตัวเองข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้มีศีลต้องต้องมีศีลธรรมมีจริยธรรมประจําใจของข้าพเจ้าถ้าทุกคนนับอย่างนั้นขึ้นมาหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสีมันมากเก่งแต่ถ้าทุกคนไม่รักษาศีนก็ต่างคนก็ต่างคนนั่นก็น่าจะรักษาศีนคนนี้จะน่ารักษาศีนตัวเองเป็นยังไงไม่มองตัวเองแปลว่า สินทุกวันศินพวกเราทุกวันก็คงจะขาดไปมากเพราะนั้นก่อนที่จะรับศินหลวงพ่ออธิบายให้ศินให้เข้าใจแต่หลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆถ้าหลวงพ่อไม่เคยไปหลวงพ่อก็จะที่บายเรื่องศินถ้าหลวงพ่ออยู่ประจําแล้วหลวงพ่อจะนานๆจะอธิบายทีหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุกหรือเป็นการแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเพื่อหลงลืม ศีลห้ามีความหมายว่าอย่างไรแต่ถ้าหาาหลวงพ่อไปนอกสถานที่หลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้ละเอียดพอสมควรให้เข้าใจว่าศีลห้าที่พวกเราจะรับกับพระเนี่ยเป็นศีลของใครเมื่อรับแล้วคุณคุณประโยชน์นั้นจะเป็นของใคร <S <S เป็นของเราเป็นอันดับแรกการอยู่ร่วมกันต่อไปก็เป็นของชุมชนของประเทศชาติ ถ้าว่าชาติไทยมีศีลธรรมประจำใจหน้าหนังสือพิมพ์หลวงพ่อว่านข่าวคงจะหาลงยากเหมือนนถ้าทุกคนมีศีลธรรมมีศีลห้ามากแต่ทุกวันนี้พวกเราดูกันแล้วกันมีแต่เรื่องศีลห้าทั้งวันที่หลวงละเมิดนะ่ะทั้งโคตทั้งโกงทั้งอ่อนทั้งฆ่าตั้งขี้ทั้งอะไรครอบหมดเลยที่มาลงใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในหนังสือพิมพ์ในข่าวต่างๆ บนั้นถึงยังไงก็ตามพวกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธมามะกะควรจะมีศีลห้าประจําใจของเราถึงจะไม่ตลอดก็เป็นบางครั้งบางคราวบางขณะอยากน้อยก่อนนอนนะก่อนไหวพระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเออข้าพเจ้าไม่ได้ไปไหนเออข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าในคืนนี้ตลอดตนสว่าง ตั้งเจตนาก็เป็นศีลห้าในช่วงนั้นแต่ว่าตื่นขึ้นมาเราจะไปทําผิดศีลก็แล้วกันนะพอเราตั้งจัตจะเอาไว้แล้ววันเกิดของเราบังวันเคารพนับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เรารักเคารพนับถือเรารักษาศีลห้าวันนั้นหลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายตลอดไปตอนนี้ไปตั้งใจ ฟังนะโมตัสสะปะกวะโตอะระปติโร ป, ร ป, ปรเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปานิธิตตติวันนี้เรื่องที่จะพูดที่คณะกรรมการหรือว่าผู้จัดงาน ได้ให้หัวข้อความที่จะพูดในวันนี้ว่าความสุขพอเพียงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายค่อยฟังว่าความสุขพอเพียงของหลวงพ่ออินพอเพียงอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีความ มุ่งมั่นมีความพยายามจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเป็นผู้มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นผู้มีความพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจอันดับแรกหลวงพ่อได้พูดสำหรับพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเรื่องศีลและธรรมนี่แหละศีลสมาธิปัญญา ที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาตอนวิชาอย่างอื่นความรู้อย่างอื่นพวกเราก็ได้ศึกษาในหลายแขนงในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มหีหลายศาสตร์แต่หลวงพ่อมาพูดในวันนี้คือมาพูดเรื่องพุทธศาสตร์คือเป็นศาสตร์หนึ่งในศาสตร์ทั้งหลายในโลกแต่พุทธศาสตร์เนี่ยแตกต่างกว่าศาสตร์ทั้งหลายลหลายศาสตร์เพราะเหตุไร พอ่อศาสตร์ต่างๆนั้นการเรียนการศึกษามีแต่เพ่งมองไปข้างนอกมีแต่ดูไปข้างนอกเพื่อความเจริญไปข้างนอกเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมปณิาตรีโทเอกจากนั้นก็วิช า, ขาแขนงต่างๆจนจนมีถึงกับโปรฟิส่งโปรฟิเซอร์ชำนชนานในหน้าที่ขแขนงต่างๆ เพราะฉะนั้นคือสรุปแล้วก็คือวิชาทางโลกนี่ไม่มีที่สิ้นสุดเรียนไปเท่าไหร่ก็ยิ่งกว้างขวางไปเรื่อยๆชำนิชำนาญไปเรื่อยๆปรับปรุงแก้ไขดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นวิทยาศาสตร์รถยนต์สมัยก่อนก็ไม่เหมือนทุกวันนี้ ท, ทุกวันนี้ก้าวหน้าไปแต่ต่อไปข้างหน้าคงจะก้าวหน้ามากกว่านี้เครื่องบินก็ตามวิทยุโทรทัศน์การสื่อสารต่างๆก็ตาม วิทยาทางการแพทย์ก็ตามการศึกษาต่างๆก็ตามก็เดินหลุดหน้าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือทางทางโลกวิชาทางโลกแต่วิชาทางธรรมคือวิชาทางพระพุทธศาสนานั้นท่านให้ท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เน้นหนักหรือว่าสอนให้มองเข้ามาหาตัวเอง มันตรงกันมันตรงกันข้ามอย่างนี้คือวิชาทางโลกสอนให้เดินไปข้างหน้าแต่วิชาธรรมะให้สอนเข้ามาดูใจสอนให้มาเข้ามาดูความคิดของตนเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจท่านจึงเป็นคําพระบาลีขึ้นว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจอันนี้คือพุทธภาสิทธทิพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่คาว่าทุกอย่างคืออะไรวิชาทุกขแขนงเรื่องทุกเรื่องมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มองเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิด แต่พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจว่าความนึกคิดต่างๆนั้นคือสมองคือความรู้คือสมองสมองเป็นตัวนึกคิดแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่เหนือสมองไปกว่านั้นอีกคือใจใจนี่นคือมาใช้สมองเหมือนกับคอมพิวเตอร์สมองคือคอมพิวเตอร์แต่คนที่มาใช้สมองนั้นคือคน อันนี้ก็เหมือนกันสมองนั่นคือเป็นเครื่องมือของใจใจมาใช้สมองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านส น, สนใจท่านสนใจตัวนั่นแนหะตัวที่มาใช้คอมพิวเตอร์นะ่ะคนนั้นฉลาดไหมที่จะมาใช้คอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่แล้วแต่ถ้าว่าคนที่มาใช้ฉลาดเป็นผู้มาใช้จะเป็นคนที่มีบุญมีบรารมีมีพร้อมทุกอย่าง มาใช้สมองสมองก็ทำงานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเน้นไปตัวที่คนมาใช้สมองเจ้าว่ามโนปุพังข้ามาธรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะฉะนั้นเวลาท่านปฏิบัติธรรมหรือว่าท่านบำเพ็ญสมาธิปัญญาเข้ามาแล้วท่านจะมองหาตัวผู้รู้คือใจมองมาหาจุดนี้ เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนากับาศาสตร์ทางโลกอย่างที่ลงพ่อได้กล่าวลหลายอย่างทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดยังไงอย่างที่โรงพยาบาลศรีนครินของเราเมีกี่แขนงหมอตาหมอหูหมอจมูกหมอทางเดินหมอผิวหนังหมอกระดูกแต่ละหมอนี้ไม่ใช่จะเก่งทุกอย่างเก่งเฉพาะทางของใครของเราเพราะนั้น วิชาทางอื่นศาสตร์อื่นล่ะดังวิท ย, ทยาศาสตร์อย่างเนี้ยสถาปนิกอย่างเนี้ยแล้วโยธาอย่างเนี้ยวิศวกรรมอย่างเนี้ยพวกเราก็คงจะไม่เก่งเก่งเฉพาะทางเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงสอนอว่าศาสตร์เหล่านั้นมันเป็นศาสตร์ของทางโลกแต่ศาสตร์ของธรรมะนี่ คือเข้ามาสู่จิตใจจะทำยังไงจึงจะชาระใจตัวนี้ตัวนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะไปได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักท่านเน้นหนักที่พระพุทธเจ้าสนใจในเรื่องนี้พวกเราก็ค ว, ควรวจะได้รับรู้รับทราบพระพุทธเจา้าเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์ดารง ชีพอายุ29ปีมีพ่อมีแม่มีพัญญามีลูกเมื่ออายุ29ปีบารมีของพระ อ, องค์แก่กล้าจากนั้นก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่ตามไม่จริงทําไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่เหมือนใครแตกต่างกว่าคนทั้งหลายคนทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เห็นคนแก่เป็นยังไงเห็นคนเจ็บเป็นยังไงเห็นคนตายเป็นยังไงเป็นธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาจะเหมือนกับมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ศรีทัตถะในช่วงนั้นท่านไม่ได้เป็นอย่างพวกเราเพราะนั้นท่านจึงต่างจากพวกเราเพราะว่าท่านความคิดของท่านต่างจากพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อประสูตรออกมาได้เจ็ดวันพระเจ้าจุโฑทนะพระบิดาได้เอาโหนมาทานายมาดู ปิสารลักษณะดูหัวเห้งของพระพุทธเจ้าว่ากันเถอดูหงดูหัวเห้งว่าศิทธรรมเนี่จะเป็นบุคคลเช่นไรเพราะท่านเป็นกษัตริย์โหัวลาพวกโหรทั้งหลายก็มาทํานายเป็นสองคือเขาบอกว่าถ้าว่าครองครองราชจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นจะเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนา ให้เข้าว่าเป็นต้นศาสนาใหญ่คนหนึ่งถ้าออกบวชแต่มีพราหม์องสุดท้ายคือโกนธรรรรัญญพราหมพยากรคําเดียวบอกว่าลักษณะอย่างนี้ตามตาราของพราหมแล้วตั้งแต่พราหมรุ่นเก่าๆเข้ามาเขาบอกว่าผู้เป็นลักษณะอย่างนี้จะต้องได้ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือโกนธรรรรัญญพราหมในพราหมร้อยแปดคนนั้นร้อยเจดคนนั้น บอกเป็นคติเป็นสองคือถ้าว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นนักพจนักบวชเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาคนหนึ่งแต่ถ้าว่าครองคราวาดจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่เป็นใหญ่ในพื้นแผ่นดินในพระเมื่อพระบิดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าจุตโทธทนะได้รับคา บอกกล่าวหรือว่าเป็นรับคําจากพราหมณ์ทั้งหลายท่านก็มีความมุ่งมั่นว่าอยากจะให้ลูกชายของท่านนี่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะว่าเป็นต้นาศาสนาต้นาศาสนานั้นไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะในยุคสมัยนั้นต้นาศาสนาอื่นมีจำนวมากมายชีโปงชีเพลยแก่องแก่ผาม์มีข้อหมดว่างั้นเถอะในประเทศอินเดียในยุคนั้นท่านก็ไม่อยากจะให้ลูกชายของท่านนี่ไปเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นาศาสนาเหล่านั้น แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรแต่ท่านก็กันเอาไว้ว่าลูกชายของข้าเนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ในแผ่นดินเท่านั้นเพราะนั้นเราจะต้องพยายามให้ลูกของเราเห็นแต่สิ่งที่สวยงามเห็นแต่สิ่งที่สีวิไลจะไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะนั้นพระเจ้าจุดโททนะมีความมุ่งหวังอย่า ง, งยิ่งเวลาที่พระเจ้าสิทธิะ ท่านจะเสด็จไปณนะถินน่นใดที่ไหนถิน่นใดจะต้องปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้วยเอาแสลนผ้าแสลนอย่างทุกวันนี่ยปลูกคุมข้างบนประดับตกแต่งให้เสร็จสวยงดงามเสด็จไปที่ไหนก็มองเห็นแต่ความสวยงามอลังการไปหมดว่างั้นเถอะไม่ให้เห็นสิ่งที่ว่าอับประมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีศิดธาตุอายุของท่าน29ปีแต่บารมีของท่านก็แก่กล้า พอพร้อมกันก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วจากนั้นพระ อ, องค์ก็เสด็จออกไปชมสวนในวันนั้นไปเห็นคนแกออ่ท่านก็เห็นคนแก่หลังค่อมผมหงอกหนังเหี่ยวฟันหลุดถือไม่เท้าท่านไม่เคยเห็นมาก่อนท่านก็ถามว่าอันนี้คือใครทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนคนแต่ไม่เหมือนคน นายสารธีก็บอก ว, ว่าอันนี้คือคนแก่พระเจ้าค่ะเอา้าทําไมแก่เพราะท่านไม่เคยเห็นเพราะพ่อปีดาไม่เคยให้เห็นเลยแต่วันนั้นอาจจะเป็นเทวดาหรือว่าเป็นสิ่งบังเอิญที่ให้สิท ธ, ธาได้เห็นพอนายสารถีอธิบายให้ฟังว่า ท, ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างเนี้ยพระองค์ท่านเนี่ยเพียงแค่นั้นแหละสิท ธ, ธาก็ยังสลดสังเวชใจอย่างมาก เห็นคนแก่เพราะฉนั้นจึงว่าใจของสิทธะกับใจพวกเรานี่ยแตกต่างกันใจพวกเราเห็นคนแก่เผลอๆยังด่าคนแก่อีกต่างหากถ้าเป็นบางคนนะแต่สิทธะเห็นคนแก่แล้วสลด ส, สังเวชย้อนเข้ามาหาตัวเอง <c oughs> พเพราะฉนั้นสิทธะกับพวกเราท่านทั้งหลายจึงต่างกันเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราจรึงไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์ เพราะเหตุไรเพราะความคิด น, นแตกแตกต่างกันในเมื่อท่านเห็นท่านก็โอไม่ได้เกิดความสรดสังเวชใจกลับเวียงกลับหวังมาคุ่นคิดมาพิจารณาทําไมคนจึงแก่จะไม่ทําให้แก่ได้หร อ, อท่านเอาจะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วทีนี้จะมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้แก่จะทํำยังไงาจากนั้นท่านก็คิดเอต่อมาอกีกท่านก็คิดไม่ตกเหมือนกันนั่นาจากนั้นก็มาเที่ยว ไปชมสวนอีกไปเห็นคนเจ็บเขาหามมาต่อหน้าท่านก็เห็นอันนั้นเป็นอะไรก็าถามอย่างเก่าเขาบอกว่านั่นคือคนเจ็บทำไมคนจึงเจ็บเขาอธิบายให้ฟังว่าทุกคนก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเวออนเสียแตาตายปุบ ป, ปับท่านเองจริงจะไม่เจ็บไม่ไม่ป่วยแต่ก็ถึงจะไงมัาก็ต้องเจ็บถ้าเป็นคนธรรมดาในสวนมากก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงแค่นั้นศีรษะก็สลรถสังเวชใจกลับมาเวียงวางอีกมาคุ่นคิดอีกโอ้คนเราแก่แล้วยังมีเจ็บอีกนะต่อมาอีกได้จะวะกกันออกไปจะไปเพื่อชมสวนอีกไปเห็นคนตายก็ถามเองว่าคนทํำไมคนตายเขาก็ตอบให้ฟังอีกว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกนีหนีพ้นไปได้ท่านก็ถามว่าตัวท่านจะตายด้วยไหมท่านก็ว่าตายเพราะนั้นท่านก็เพิ่มมาคิดอีกจุดนี้อีก ท่านก็โอ้โหหน่าสลดสังเวชจะหาความสุขที่ไหนได้มนุษย์ชาติในเมื่อความแก่ความเจ็บความตายความตายจะต้องมาถึงทุกคนอยู่แล้วทําไมถึงคนมนุษย์ชาติจึงสนุกสนานเพลิดเพลินรุ่นเรืองอยู่อย่างนี้ได้ทําไมไม่คิดหาคนทางที่จะหาคนทางที่จะไม่มาเกิดไม่มาม า, มาตายอีกเพราะความตายเป็นสิ่งที่สดจริงๆ แปลว่าจบเพียงแค่นั้นทำไมมนุษย์ชาติจึงล่มหลงถึงขนาดนี้อันนี้ ค, คือความคิดของศิทธะในขณะนั้นจากนั้นพระองค์ก็กลับเข้าเวียงวางก็มาค้นคิดหนักพอสมควรจากนั้นครั้งที่สีพระพุทธองค์ก็ในสิทธะก็เสด็จออกไปไปเห็นสมณะนั่งขัดสมาธิอยู่โครนต้นไม้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงหลับตาพระพุทธองค์นั่ง รถไปเพื่อจะไปชมสวนก็ไปเห็นสมณะที่นั่งอยู่โคลนต้นไม้ท่านเอออันนี้กำลังจะเป็นหนทางไข้ครวนหรือว่าคุณคิดที่จะหาหนทางที่จะทบทวนทุกได้ต้องเป็นอิสระต้องไม่เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับใครๆทั้งหมดต้องอิสระในความคิดอย่างนี้จากนั้นพระโต้งก็พอชมสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาก็ทราบว่า พระอากามเหสีนางพิมพ์พายโสธลาประสูตดพระโอรสพระพุทธองค์ก็ลําพึงในใจว่าเออลูกของเราเกิดลหูนลาหุ น, ะหนแปลว่าเครื่องผูกแก่เราแล้วออคือลหุนะจากนั้นพุทธองค์ก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าว่าเราอยู่ต่อไปเครื่องผูกพันก็คงจะพันธนาการเข้าไปเรื่อยๆ ไม่คงจะหาทางออกระยากเพราะฉะนั้นเราควรจะคิดหาทางออกในขณะนี้จะดีกว่าพระพรมก็คิดแล้วทีนี้วางแผนทีนี้ข้าว่าลัคนะคือเรื่องผูกเครื่องผูกพันโบุรัมบุรานท่านเขาก็ตั้งเป็นคําพังเพยขึ้นมานะทางคําอีสานในหลวงพ่อก็ฟังขึ้นนะก็ว่ารักลูกเหมือนเชือกผูกคอ ไปที่ไหนเหมือนกับแขวนอยู่ในคอเนะี่ยลูกของเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงการศึกษาไปยังไงคล้ายๆมาอยู่ในคอของพ่อแม่รักลูกเหมือนเชือกผูกคอรักเมียรักสามีเหมือนปอผูกศอกคือผูกศอกไผ่หลังคล้ายๆไปที่ไหนก็เป็นห่วงหนักแน่นว่างั้นเถอะเหมือนกับศอกไผ่หลังคิดเป็นห่วงว่าเขาจะอยู่ยังไงไปยังไงทั้งสามีทั้งพรนยา รักสมบัติเข้าของเหมือนปอกใส่ขาคือเหมือนกับปลอกใส่ขาช้างมัดกับต้นไม้อย่างนั้นอ่ะช้างมันจะไปไม่ได้เพราะปลอกใส่ขามันอยู่อันนี้ก็เหมือนกันศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมพ่อบ้านแม่บ้านจะไปที่ไหนก็เป็นห่วงบ้านห่วงช่องห่วงทรัพสมบัติเทินห่วงหน้าที่การงานห่วงอะไรต่อห่วงอะไรเหมือนกับปลใส่ปอกช้างใส่ขาแล้วก็มัดใส่ทรัพสมบัติอย่างนั้นอ่ะเนี่ย คนโบราณเขาตั้งเป็นคําพังเพยขึ้นมาหน่าฟังนะหลวงพ่อว่านะรักลูกเหมือนเชือกผูกคอรักสามีพัญญาเหมือนปอผูกศอกรักสมบัติเข้าของเหมือนปอกยักใส่ขาใส่ขาใส่ปอกมัดไว้กับต้นไม้นี่แหละทิฏฐะท่านก่อนมาพิจารณาจุดนี้ท่านว่าไม่ได้ถ้าเราขืนอยู่ต่อไปก็คงจะเครื่องพันธนาการก็คงจะผูกรัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆ เพราะนั้นท่านจึงตัดสินใจในคืนนั้นออกกับนายชนะหนีออกไปบวชไปตามลําพังกับนายชนะตนเองจากนั้นก็เมื่อตอนเช้ามาปองผมเสร็จเรียบร้อยห่อเครื่องบริขารเชื้อผ้าให้ในายชนะกลับเอามาสวนพระองค์ก็อยู่ตามลําพังนี่แหละอันนี้ก็มีข้อฆลาห์นินทาหรือว่าข้อคอนหาขึ้นมายุคสุดท้ายภายหลังขึ้นมาหลวงพ่อได้ยินหนาหูขึ้นมานะ คือเขาวิจารณ์บอกว่าสิท ธ, ธาเห็นแก่ตัวเพราะว่ามีครอบครัวมีพัญญามีลูกแล้วทําไมจึงหนีจากลูกจากเมียหนีเอาตัวรอดคนเดียวสิท ธ, ธาทําอย่างนั้นได้ยังไงในคุรบุตรุดท้ายภายหลังทั้งหลายเขามีความเห็นอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่ได้มีไม่มีความเห็นอย่างเขาเหล่านั้นวิจารณหลวงพ่อบอกว่าเนี่สิท ธ, ธาก่อนที่ท่านจะออกไปบวชท่านคิดอย่างไรอย่างที่ท่านคิดว่า ท่านเห็นคนแก่ท่านเห็นคนเจ็บท่านเห็นคนตายท่านเห็นสมณะจากนั้นท่านก็มาคิดปวะวิตกในกจิตใจว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องแก่เราก็จะต้องเจ็บเราก็จะต้องตายญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราวงศ์สาคานาญาตของเราก็จะต้องตายเหมือนกับคนทั้งหลายที่ตายที่ตายมาแล้วมากต่อมากแต่เราจะมานอนตายอยู่อย่างนี้เหรอ นี่สิธาถาท่านมีความคิดอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ขโมยหรือว่าหนีออกโดยที่ไม่บอกใครถ้าขืนบอกให้ใครเขาก็จะต้องมาลุมมาตุ้งเขาก็จะต้องห้ามโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งแม่บ้านเขาจะต้องโดดกอดแข่งกอดขาไว้งันเถอะจะไปบวชได้ยังไงที่ท่านหนีกลางคืนหนีด้วยความจริงใจหนีด้วยความสุดจริตใจหนีในวันที่คิดดีแล้วจึงค่อยหนี ถ้าจะว่าเปรียบเทียบกับยุคสมัยนี้เขาคงจะว่ า, าคงจะชุดตองไปเหมือนกันว่างั้นเถอะ เ, เขาคงจะว่าอะไรคนประสาทาหรือบ้าอย่างมากแต่ศีลธรรมท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไไดคิดท่านไม่ได้แคร์กับสายความคิดของคนถ้าท่านคิดท่านแคร์ในความคิดของคนท่านคงจะออกไปอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็ต้องอยู่กับโลกท่านคงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าท่านก็คงจะเป็นเพียงพระเจ้าแผ่นดิน เป็นใหญ่ในแผ่นดินเท่านั้นแต่นี่เทศที่ได้เป็นพระพุทธญาเพราะท่านตัดสินใจด้วยความเด็ดดเี่ยวอาถรรพ์ในองค์ท่านเองจากนั้นพระพุทธองค์ก็ท่านอยู่ตามลําพังถึงหปีบําเพ็ญลองผิดลองถูกเหมือนกับเขารองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นล่ะก่อนที่พวกเราจะ น, นั่งเครื่องบินขึ้นมานี่ก็ัเกิดที่ประเทศอังกฤษเขาลองเครื่องบินตกไปลุ้ไม่รู้กีก่ครั้งกี่หนเหมือนกัน แต่ก่อนที่จะเปลนได้ดีขนาดนี้อันนี้สิทธะก็เหมือนกันท่านก็บำเพ็ญทางด้านจิตใจของพระองค์ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดอยู่ถึงหปีแต่นี้หลวงพ่อจะมาย้อนถึงพูดที่ว่าทําไมสิท ธ, ธะออกบวชอย่างนั้นคนทั้งหลายวิจารณ์อย่างนั้นกรรมวิจารณ์ของคนนั้นเป็นธรรมไหมสิท ธ, ธะทาอย่างนั้นถูกต้องไหมอันนี้หลวงพ่อจะข อ, อะชี้แจงประเด็นนี้ให้ฟังสิท ธ, ธะถ้าจะว่าไปแล้วสิท ธ, ธะ พุทธเจ้าของเรานี่ยท่านมองเห็นความหายนะที่จะมาสู่พระ อ, องค์เองและวสู่วงสาคาญนายาตของพระ อ, องค์เพราะนั้นพระองคจ์จะทำยังไงจึงจะต่อสู้กับหายนะสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับพวกเราเคยเห็นไหมยุคสมัยก่อนและยุคสมัยนี้ก็เถอะนะสมัยก่อนหลวงพ่อเห็นที่ว่าคนชาวบ้านของเขาเขาประกาศว่าซาอุดิอราระเบีย ไปทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาราเบียเงินเดือนเงินเดือนเงินดีเงินดึงหลายหมื่นเขาทำปีปีสองปีกลับมาฟื้นตัวได้มีบ้านมีเรือนมีที่ดินที่ลงที่ดินมีอะไรขึ้นมาจากนั้นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอีสานของเราก็เฮโลกันไปไปทำการทำงานที่ซาอุดิอาราเบียไปขุดทองแต่ในเมื่อไปทาการทางาน ได้เงินได้คํทรัพสมบัติขึ้นมากลับมาถึงบ้านตะก่อนเป็นคนที่อยากจนกลับมามีบ้านมีเรือนมีที่ดงที่ดินเศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้นอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยไปต้องอกตั้งใจทำการทำงานไปแล้วสนุกสนานไหมไปที่ซาอุดิอาระเบียไปสืบดูแล้วประเทศที่ร้อนมากร้อนจนตับแปรเั้นเถอะเป็นทะเลทรายอีกต่างหา หาน้ำจะอาบก็ไม่ได้ไปกินเหล้าก็ไม่ได้พอใครกินเหล้าเขามาเขาแท่หวดหล้งลายไปหมดแล้วลงโทษยังยังหนักเล่นการพนงการพนันไม่ได้ผู้หญิงไม่มีจะไปเที่ยวไปเตะไม่ได้สลบแล้วก็คือคนที่ไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียนั้นทุกยากลำบากมากแต่สู้เพื่อครอบครัวเพราะครอบครัวตัวเองนี้ มีความทุกข์ยากลำบากแต่ไปอยู่ที่นั่นถึงแต่ทุกข์ยากลำบากแต่เงินดีไปเพื่อหาเงินเมื่อในเงินมาแล้วก็มาเจือจานครอบครัวครอบครัวก็มีหน้ามีตามมีเงินคำทรัพสมบัติมีความสุขท่วนหน้าการวงศาขณาญาติลูกเต้าอันนี้ก็คือตัวอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะเปรียบเทียบอย่างศีทัถะก็เหมือนกันเทนีมาเปรียบเทียบกับศีทัตถ ศิริษฐาท่านไปอยู่ตามลำพังถึงหปีท่านอยู่ในเวียงในวังท่านสนุกสนานไหมพวกเราคิดดูก็แล้วกันพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเวียงในวังมีสนมกำนันมีข้าทาสบริวารอาหารการบริโภคช้อนเงินช้อนทองสําหรับกับข้าวมีแต่อุลมสมบูรณ์ทั้งนั้นแต่นี้พระองค์ไปอยู่ในป่าถึงหปีลองผิดลองถูกจฉะนั้นอยู่กับน้ําค้างอยู่กับพวกสัตว์ทั้งหลายใครจะรู้จักศิริษฐาเนี่ยคือใคร คือนักบวชท่านหนึ่งท่านเองคือพร้อมมีผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดสีรับผมล้นหัวล้นปงผมเมื่อบินธบาร ท, ทีแรกสิทธะท่านไปอยู่พ่อท่านเขาไปอยู่ป่าทีแรกวันแรกนะท่านไม่ได้บินธบารถึง6ถึงเจวันอยู่ตามลำพังพ่อหลวงถึงเจวันท่านบอกโอ้ทำไมมีความสุขถึงขนาดนี้เรามีความสุขจริงๆอิสระ แต่มันตรงกับข้ากันข้ามกับพวกเราท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเวลาไปอยู่วัดเนี่ยหลวงพ่อเห็นนะไปวันแรกพอจึงเออน้าอยู่เง อ, อเงียบสงบดีพออยู่วันสองสามวันเข้ามาอา่ะชักจะไม่น่าอยู่โอ้ยสงบเกินไปเงียบเกินไปว้าเวทอยู่ไม่ได้ละเพ่นแหนบเออค่ายๆว่ามันตรงกันข้ามกับศิท ธ, ธิฐานเพราะนั้นเออสิท ธ, ธิฐานนี่แตกต่างกว่าคนทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ถึงหกปี ท่านลองผิดลองถูกคือเจ็ดวันแรกเนี่ยท่านสวยความสุขท่านโอ้โหทำไมมีความสุขอย่างนี้อิสระจริงๆเหมือนคนที่หายจากโรคคนมีโรคหายจากโรคคนที่มีหนี้สินพลุงพลังหายจากหนี้สินเออใครเข้าประสง์หนี้สินให้เขาจบแล้วหนี้สินไม่มีไม่มีใครมาทวงหนี้แล้วอันนี้ท่านเป็ น, ปนอิสระอย่างนั้นคนที่หายจากโรค คนที่ออกจากที่คุมขังคนที่หายจากนี่ศิริษฐาท่านคิดอย่างนั้นจากนั้นมาท่านก็บาเพ็ญไปบินเทบาทมาฉันเป็นวันที่แปดพอไปบินเทบาทนี่ก็คนใส่บาทก็ไม่รูัว่วศิริษถะคือใครเขาก็เห็นว่า น, นักบวชมาขอทานมาขอข้าวเขาก็เอาข้าวใส่บาทให้ท่านไม่ลูกกงไม่ลูกแกงไม่ลูกอะไรไม่ลููหวานไม่ลูกข้าวใส่ลงไปในบาท สิทธะก็เห็นพ่ออาหารพอสมควรแล้วท่านก็เดินกลับมาหาที่พักท่านมองเห็นอาหารในบาทเราพิจารณาดูก็แล้วกันว่าอาหารสําหรับกับข้าวช้อนเงินช้อนทองภาชนะเงินทองที่รองรับอาหารกับข้าวอยู่ในบาทอาหารอยู่ในบาทนั้นอาหารหวานข้าวผสมประสานกันในบาทนั้นมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนท่านเป็นกษัตริย์และบาทนี้ท่านเป็นนักบวชจากนั้นพระตองค์สอนพระองค์เองว่าสิทธา แต่ก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอเป็นนักบวชเธอจะทําตัวเหมือนเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เขาให้อย่างไรต้องเราต้องทานอย่างนั้ น, นเราต้องกินอย่างนั้นเราต้องเฉลิ้อย่างนั้นอ่อเราจะเป็นอะไรก็ เ, รเป็นนักบวชแล้วบัดนี้พราะพระองค์สอนพระองค์เองพระองค์ก็หลับหูหลับตาฉันอาหารอยู่ในบาดแน่พระองค์สู้กับพระองค์สู้กับใจของพระองค์สู้กับความการเป็นอยู่ของพระรองค์ทุกยากลําบากไหมอันนี้ก็คือเหมือนกับคนไปที่ ไปทํางานที่ซาอุทุกยากขนาดไหนก็ต้องสู้เพื่อจะหาเงินคําทรัพย์สมบัติมาเจือจานทร์มาเ จ, อจาืเจอจุนครอบครัวแต่นี้ศรีถาท่านก็สู้อยู่ตามลําพังพระองค์เองถึงหปีจนถึงวันสุดท้ายวันเดือนหกเพนทอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ว่าวันเดือนเหเพนเป็นวันที่สันติภาพโลกทุกวันเนี่ยที่พึ่งขึ้นมาสองสามปีที่ผ่านมาไป็ว่าวันสันติภาพโลกคือวันประสูตร ตัดสรุปปรินิพานของพระพุทธเจ้าคือวันเดียวกันแต่ในพระองค์ก็ได้ตัดสรุปรมในวันเดือนหกเพนเมื่อพระองค์กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นพอตกตอนค่าตอนพร่ำค่า จิตของระองเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งคือจิตไม่ออกไม่คิดปรงฟุ้งซ่านจิตของจิตใจของระองเข้าสู่เป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่เป็นหนึ่งแล้วจิตสงบเมื่อจิตสงบเกิดญาณทัศนะเกิดฌานระลึกชาติหนนหลังได้ตัวปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติหนนหลังได้เนี่นี่แหละคือเบื้องต้นที่พระพทุทธเจ้าได้ตรัสรูร้รำ ตัดรั้วปุบเพในวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราเป็นยังไงมาจากไหนเพราะพระองค์ก็รู้อะไหมดเพราะว่ามีญาณเนี่ยมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วนี่แหละความเป็นมาของพุทธเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือจุดนี้ก็คือว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกตามแนวแถวของพุทธะพราะพระเจ้าทวัสดี ตายนั่นก็คือร่างกายตายแตกแน่นอนไม่ต้องสงสัยเหมือนกับรถน่แหละเราซื้อรถมาใช้มาสิบยสิปีรถพังหมดตายหมดคนที่ขับรถก็ต้องหนีออกจากรถนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อร่างกายเรามีใจเรามีพระพุทธองค์ย้อนหลังนึกย้อนหลัง ด้วยยาดว ย, ยาณทัศนะคือเครื่องมือของพระพุทธเจ้าปุเพในวาสารนุษติยาระลึกชาติผลหลังได้ก็รู้ได้ว่าเออชาติที่แล้วมีเป็นอะไรบ้างเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงมีเป็นชาดกขึ้นมาอย่างส0บชาติบ้าง5้าิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างจริยาปิดกหออรือว่าออชาดกห0 0ร้อชาติมีที่พระพุทธเจ้าได้พูดตรัสเอาไว้สรุปแล้วคือ ไม่ศูนย์ที่ไม่ศูนย์คืออะไรคือใจคือวิญญาณคือตัวผู้รู้นั่นแหละไม่ศูนย์แต่ร่างกายคนศูนย์แน่ตายแล้วต้องเอาไปเผาไฟแล้วก็ยังเหลือแต่กระดูุร่างกายในศูนย์แต่ว่าจิตใจนั้นไม่ศูนย์ในพอถึงเที่ยงคืนพระโพธิวงศ์ได้ตัดสรู้อีกอันหนึ่งเลยว่าจุตูปะปาตยานการจุดติของสัตว์ว่าเรามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วเราจะไปที่ไหน วิญญาณของเราจะไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนอีกอันนี้พระพุทธองค์ก็มองเห็นได้เพราะพระพุทธองค์จิตสงบละเอียดเกิดยาทัทนะเยะวะจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติของสัตว์อันนี้พอถึงจวนสว่างใกล้รุ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตัดสรุปทมอาสาวกยายานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ พิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ตัดสรุธรรมนี่อันนี้ก็คือพระองค์ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือใจของพระองค์นะั้นมีอะไรพระพุทธองค์มองดูแล้วเห็นอะไรในใจอวิชชาปัจจะยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญานางังวิญญาณปัจจยานามารูปังจนถึงสรามาระโสกะปริเทวทุขทโทมาาสัสสุอุปายาต คือมาจากตัวอวิชชาคือตัวโง่เข่ามันจึงมีพบมีชาติมีชรามรณะมิปริเทวทุกขโทมนันสุมีร้องห h o ร้องให้พิล่ลายลำพันเพราะมาจากตัวอวิชชาเพราะนั้นตัวอวิชชานั้นมีอะไรมีกิเลส ร, ราคะโทสะโมหะหุ้มหุ่มอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็กําจัดตัวราคะโทสะโมหะอยู่ในใจของพระ อ, องค์ที่หุ้มล้อมอยู่ห้อมล้อมอยู่ซ้ารอกออก กระเทาะออกด้วยศีลสมาธิปัญญาคือมักแปะกระเทาะความรู้สึกของใจออกกระเทาะสิ่งที่แปลกปลอมของใจออกชําระสิ่งที่มันกัดจิตกัดใจออกเหมือนกับเราชําระสนิมที่อยู่ในเหล็กอย่างนั้นออกหมดจนเหล็กนั้นเป็นเหล็กที่บริสุทธิ์จะเป็นเล็กถ้าเป็นทองคําก็มีสิ่งที่แปลกปลอมทองคาไม่ร้อเ ก็พยายามใช้กรรมวิธีเอาน้ํากรดซักล้างออกจนเป็นทองคําที่บริสุทธิ100์ร้อยเปอร์เซนตไปในสถานที่ใดก็ไปตกในสถานที่ใดก็เป็นทองคำร้อยเปอร์เซนตไม่มีอะไรที่จะน้ํากรดก็ไม่สามารถที่จะกัดมันได้เพราะทองคําบริสุทธิ์เป็นทองคําแท้ถ้าว่ามีทองคําปลอมเข้ามาก็นั่นแหละยังมีสิ่งแปลกปลอมอยู่อันนี้ขใจของพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นแหละออถา้าเป็นเม็ดข้าวเพราะว่ากระทอบเปลือกออกหมด เอาไปสีแล้วกระถอเปลือกออกหมดยังเหลือแต่ข้าวสารในเมื่อเป็นข้าวสารแล้วตอนี้เอาไปปลูกที่ไหนก็ไม่เกิดเพราะเป็นข้าวสารไว้เป็นวิทยาศาสต ร, เร์เกษตรคดีขนาดไหนไปปลูกก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่ากระถอเปลือกมันออกแล้วเชื้อมันออกมออกหมดแล้วนี่แหละในคืนวันเดือนหกเพน็นครับพระพุทธเจ้ากระถอบเปลือกของกิเลสกระถอบเปลือกของใจที่ห้อมล้อมใจของพระองค์ออกหมดยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ จะว่านิพพานังประมังศูนย์อย่างศูนย์เชื้อเชื้อที่ทาให้เกิดมันศูนย์หมดนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือนิพพานเอ่อเป็นสุขอย่างยิ่งคือนี่แหละไม่มีสิ่งที่ไหนที่มารบกวนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์สาวกได้อีกเพราะนั้นนี่แหละแนวแถวที่พุท ธ, ธะที่เป็นบรมครูของพวกเราท่านทั้งหลาย ที่เดินมาตามแนวแถวทางนี้นะสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่นี่ที่หลวงพ่อได้พูดพุท ธ, ธประวัติให้พวกเราได้ศึกษาให้ได้ยินได้ฟังเพราะเป็นต้นบรมวครูของพวกเราพวกเราควรจะศึกษาแนวแถวของพุท ธ, ธะว่าพุทธบริษัทควรจะรับรู้รับทราบอย่างไรอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่หลวงพ่อได้ชี้ประเด็นให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบแต่ทีนี่แนวความในการสอนของพุท ธ, ธะ ที่ว่าความสุขพอเพียงอันนี้ก็คือแนวแถวของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้คมคําสุขพอเพียงสําหรับครวญ น, นั้นคืออะไรมีหลายๆประเด็นที่พระพบุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อันดับแรกก็คือว่าท่านสอนครวญอุตฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันถ้าพวกเราขยันในเมื่อเป็นเด็ก เราก็ขยันเรียนหนังสือในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อได้หน้าที่การงานเราก็ขยันในการทําหน้าที่การงานอย่าให้ขาดตกบกพร่องในเมื่อเป็นผู้ใหญ่เราเป็นหัวหน้าเราเป็นระดับที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่การงานให้รักษาเอาไว้ให้หมันขยันเอาไว้ในว่าอุทฐานะสัมปทาถึงพร้อมในความหมั่นความขยัน ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องให้เป็นธรรมที่สุดจะให้ขาดตกบกพร่องอันนี้ก็คืออุทธธาณะสัมปทาถึงพร้อมด้ยวยความหมั่นความขยันอรักษาสัมปทาให้รักษาหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่ของตนเอาไวา้เมื่อเราทำสิ่งไหนกิจการงานของเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องให้รักษาหน้าที่รักษาเงินคาทรัพย์สมบัติเอาไวา้อันนี้ก็คืออรักษาสัมปทา ถึงพร้อมเปิดการรักษาการยารามิตตาการครบเพื่อนฝูงก็พยายามคบเพื่อนฝูงเป็นคนที่ดีอย่าไปคบคนที่มันไม่ดีถ้าคบคนไม่ดีแล้วจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายทำให้เป็นทุกข์ได้เพราะหมู่พวกเพื่อนบริวารพาทำไปในทางที่ไม่ดีชักนำไปในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นการครบค้าสมาคมต้องเลือกคนซะก่อนว่าคนนี้เป็นคนดีไหมเป็นยังไง แต่ตามไม่จริงการเลือกคบคนนั้นเราจะให้ดีทุกคนซะก่อนเราจึงคบก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ให้รู้จักใช้คนคนนี้เป็นยังไงนิสัยอย่างนี้เป็นยังไงความรับผิดชอบขนาดนี้ทําอย่างไรอันนี้เราต้องเลือกในการใช้คนหรือเลือกคบคนเรียกว่าการยาณมิตตาสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปป้นไปคดไปโกง เขามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วความสุขเพียงพอไหมถ้าเราทำได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าเพียงพอในระดับหนึ่งรู้จักประมาณและสำหรับฆราวาสอีกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอีกว่าฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสสัจจะการอยู่ร่วมกันให้มีสัจจะต่อกัน อ, อย่าจะเสียสัจจะในการครบค้าสมาคมกัน ถ้าหาว่าเสียงไหนพอที่จะพูดรับปากเขาได้เราต้องมีสัจจะถ้าคนไร้สัจจะทวาคนไม่มีสัจจะคบกันไม่ได้ไม่เป็นที่ไม่เป็น ท, นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้ถือก็ว่าธรรมของครวัตที่ว่าสัจจะให้มีความจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนอันนี้ก็คือธรรมะให้รู้จักขม่มบางทีใจเขาร้อนมาก็ใจร้อนเหมือนกันนะมนโมโหโท่โศวูวิวิ ว, ว, ว, ว, วขึ้นมาแต่รู้จักขม่ม นะเออเอ้ยเราจะไปโมโหให้เขาหมากไม่ได้นะเออบางทีเราตัวเองก็ทำผิดเหมือนกันอ่ะเขาโมโหบ้างแเราก็เขาทำผิดบ้างหือเป็นอะไรไปเออบางทีเขาทำไม่ดีกับเราบางทีเราไปทำก็ไม่ดีกับเขาน่ะเราก็ยังมีหรือเราเราทำดีทั้งหมดใช่ไหมเราทำดีกับเขาทั้งหมดใช่ไหมเราไม่เคยผิดเลยใช่ไหมเราไม่เคยพูดผิดเลยใช่ไหมเราไม่เคยคิดผิดเลยใช่ไหม มันก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเมื่อเราข่มใจของเราได้ทุก ส, สิ่งทุกอย่างก็มันก็จะเพลาลงความหนักความโมโหโท่โและความหนักก็กลายเป็นเบาไปได้เพราะว่าเรารู้จักข่มจิตของตนและกัขันติคือความอดทนอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่ อ, อการติชินนินทาการติชินนินทาถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ติชินนินทาเราก็พอเราก็ ก้มหน้าก้มตารับฟังได้แต่คนหมู่เพื่อนระดับเดียวกันติชินนินทาเนี่ยเราก็ยังพอสู้ไหวเพราะในระดับเดียวกันแต่คนที่ต่ํากว่าเราติชินนินทานี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหากว่าใครทนได้ต่อการติชินนินทาของผู้ด้อยกว่านี่เป็นผู้มีขันติอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพวกเราให้ทั้งสามอย่างนี่แหละเราจะไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงจะไม่ได้นะมันก็ต้องมีแล้วละ่ะ เกิดมาในโลกที้ต้องมีเดี๋ยวพอตอนนั้นจึงว่าให้มีขันติคือความอดทนเอาไว้นะและกระจาคะให้รู้จักในการเสียสละการเสียสละก็คือเมื่อได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาแล้วเราควรจะเสียสละให้แก่ใครเราแบ่งปันให้แก่ใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเราเป็นอันดับแรกพรพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาเราจะมองข้ามไม่ได้ในเมื่อพ่อแม่เรา ตกทุกข์ไดยากอย่างไรเราก็ควรจะแบ่งปันให้พ่อแม่ของเราได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยอันนี้แปลว่าจาคะรู้จักแบ่งปันแก่บุคคลที่ควรให้ปันจากนั้นก็ให้บริวงบริวารที่เขาตกทุกข์ไดยากพอเฉลือเผือแพ่ให้แก่คนอันนี้คือเป็นน้ําเชื่อมหรือว่าเป็นสิ่งที่กระจายต่อชุมชนสังคมของโลกทางว่าคนไม่มีจาคะห์จะเลยเป็นคนที่แล้งน้ําใจ ไปหาใครไปคบค้าสมาคมกับใครโดยมากจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควรเพราะว่าคนที่ไปหาเขาเขาปิดประตูเผื่อแล้วอยาจะไปขอจากจากเขาอีกเพราะนั้นจา้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นส ำ, สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษยชาติของเราถ้าว่าท่านผู้ใดมีการเสียสละมีการเฉลื่อเผื่อแผ่ แต่พอการเสด็จเผื่อแผ่เราต้องดูเราว่าเราอย่าไปใจใหญ่ เ, เรามีอยู่มีกินเรามีใช้เราก็ควรจะแบ่งปันให้แก่คนอื่นเขาได้ใช้บ้างนีออ่อันนี้คือหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการอยู่ร่วมกันความสุขเพียงพอถ้าว่าพวกเราทําได้อย่างนี้ก็คือความสุขเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วกับการบริหารจัดการในทรัพย์สมบัติของตนเองที่ได้มาตระกูลอันมั่งครั่ง ไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสีอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนทำหมวดสีนะ อ, อไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บุรณะพัสดุที่ ค, ค้าคข้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทูตศิทธ์ทธให้เป็นพ่เรือนแม่เรือนอันนี้ก็คือตระกูลอันบ่งขั่งล่ํารวยแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่ไม่มีทำสีประการคุ้มของ ทำสประการคือไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วคือพัสดุเงินคำทรัพย์สมบัติรถลาสิ่งของอะไรก็ตามถ้าหายไปแล้วก็หายไปเลยโดยที่ไม่ติดตามนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ถูกท่านว่ามันหายไปแล้วก็ควรติดติดตามเออรถเราหายไปไหนวะใครเอาไปวะมันอยู่ทางนี้มันหายไปยังไงหายไปที่ไหนอย่างเนี้ยถ้าว่าเราติดตามขโมยที่เขาเอาไปมันอยู่ใกล้ๆแล้วก็อ้ เขาติดตามเราไม่ได้แนละ้วเราติดคุกได้ง่ายๆนะถ้าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ติดตามของแนละ้วก็หายไปเรื่อยๆๆผลในสุดก็เลยไม่มีอะไรเหลือเพราะอะไรเพราะเราไม่ติดตามเน่ยว่าพี่นวลไม่แสวงหาพระจดุที่หายแล้วไม่บูรณะพระจดุที่ค้าคล้า อ, อ, อาคารของเราหลังนี้เหมือนกันเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้ามันรั่วมันแตกมาแล้วก็เฉยไม่ได้สนใจแต่ถ้าว่าต่อไปฝนรั่วฝนตกขึ้นมาเสียหายหมดพวกพรมพวกอะไรปูหมดมันเสียเป็นหลายหมื่นหลายแสน ถ้าเอาว่าเราบูรณะพัฒนดุขึ้นมาซะ เ, เสียงเงินหน่อยเดียวก็ใช้ได้นานเท่านานอันนี้แหละตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ได้นานเพราะว่ารู้จักการเจือจุนด้วย ก, การจัดการรักษาไม่บุรณะพัฒนดุที่ค้ำค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติให้เข้าว่าเราอยู่ในสถานะนี้เราเงินเดือนเท่าไหร่กิจกรรมของเรามีอะไรบ้าง เดือนของเดือนหนึ่งเรามีเท่าไหร่อันนี้ต้องมีวิในัยในการใช้สาหรับตนเองจ้าว่าเรา ม, มีเงินอยู่หนึ่งหมื่นอย่างเนี้ยเรามีกี่คนในลูกของเราลูกเต้าของเราในครอบครัวของเราเราใช้อะไรไปบ้างค่าน้ําเท่าไหร่ค่าไฟาเท่าไหร่ค่ากินเดือนละเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันต้องวินมีวิในัยในการใช้สาหรับตัวเองแล้วก็ควรจะเก็บเหลือไว้บ้างการเก็บเหลือไว้นั้นเก็บเหลือไว้เพื่อใคร เก็บเหลือไว้เพื่อพวกเรานั่นเองถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยวันต่อไปพายพักหน้าค่ําคืนเงินเดือนยังไม่ออกเราจะได้ใช้เงินที่ไหนเราจะไปขอพี่ขอน้องขอพ่อขอแม่เขาเขาจะเอาแกนั่นอ่ะมีเงินเดือนขนาดนั้นเราจะมาขอพวกเราอีกเหรอเราไม่ให้อย่างนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องมีวินัยในการใช้เหมือนกันนะนเพราะฉะนั้นไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ การใช้เงินใช้ทองต้องมีวิัยในการใช้เงินเดือนของเราเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ํามันรถเท่าไหร่ค่าไปค่ามาเท่าไหร่เลี้ยงลูกกี่คนเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เราต้องบริหารจัดการให้ถูกแล้วเราจะมีเงินแหล่งไหนเข้ามาอีกด้วยความสุจริตทำขายขนมขายกาแฟเพิ่มเติมอีกไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คื อ, คอการคลองชีพรู้จักการบริหารจัดการในการทั้งเงินคาทรัพย์สมบัติ แต่เราทำถูกอย่างนี้แล้วหลวงพ่อว่าความสุขก็คงจะเพียงพอในระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าเรารู้จักในการบริหารจัด ก, การอันนี้ก็คือข้อที่สไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติข้อที่4นี่สำคัญนะทีนี้คือบุคลากรเลยทีนี้ผู้ที่จะกรรมทรัพย์สมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทูตสิทธิ์ให้เป็นพ่อเรือนแม่เรือน คือผู้บุรุษทุศีนี่คือใครอคือพ่อเจ้าบ้านบางทีก็จำมาเลเทเมาวเที่ยวเตรอบายมุกทุกประเพณเที่ยวย้งเที่ยวยิงเที่ยวขับเที่ยวบ้าเงินคําที่ได้มาแม่เจ้าบ้านก็มอบให้พ่อบ้านเป็นเจ้าเป็นผู้ถือเงินอ่ผลในสุดก็จิบหายวายปวงเจ๊งได้ง่ายๆแต่แม่เจ้าบ้านจำมาเลเทมาพ่อเจ้าบ้านก็มอบสมบัติให้แก่แม่บ้านเป็นผู้ถือเงิน อันนั้นก็เสียหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ทั้งสองพันกว่าปีพวกเรามาคิดดูกันแล้วกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเี่ยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอถ้าพวกเรานํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขในการเป็นอยู่ของพวกเราเอ อ, อันดับแรกก็คือข้อที่หนึ่งก็ว่าตระกูลอันบังคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีลไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ําคล้า ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทูตสินให้เป็นพ่อเรือนแม่เรือนเนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะที่ได้ฟังหลวงพ่อพูดในวันนี้ก็นี่แหละที่ว่าความสุขพอเพียงถ้าพวกเราบริหารจัดการกับตัวของเราอย่าไปมองคนอื่นมองตัวของเราเองมองตัวของเราเองถ้าว่าเรามองคนอื่นนั้น มันจะมองไม่ค่อยเห็นมองโลกให้มองต่ำมองทําให้มองสูงมองโลกให้มองต่ำยังไงมองโลกให้มองต่ำของพวกเราพวกเราเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์เงินเดือนขนาดนี้เราต้องมองต่ำกว่าเออตาสีตาสาตาเมตามาเข้าขายก๋วยเตี๋ยวลูกเต่าของเขาเขาเรียนหนังสือเขาก็หาเงินของเขาอันนี้ลูกเต่าของเราแล้วเราก็เบิกได้อีกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เบิกได้อีก เราดีขนาดไหนเอันนี้คือเรามองมองต่ําถ้าหากว่ามองธรรมคือความประพฤติปฏิบัติเออท่านผู้นั้นท่านรักษาศีลอย่างนั้นท่านปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่ยอมรับของคู่ขนท่านมีจัญญาบรันรกับตัวของท่านดีอย่างนี้ท่านมีวิเนยสําหรับครอบครัวของท่านตัวของท่านดีอย่างนี้ท่านจึงเป็นที่ยอมรับของคนอันนี้ก็คือเรามองมองศีลธรรมมองธรรมในการประพฤติปฏิบัติของเขาให้สูง แต่มองโลกคือการเป็นอยู่ของเราให้มองต่ําแต่ถ้าว่าพวกเรามองโลกเ อ, อการเป็นอยู่ของเราในมองผู้ที่เหนือกว่าเพราะาเสียคนนั้นอะ่ะเขามีรถเกง๋งว่ามีรถเกง๋งมีรถเบ้นมีสิ่งดีๆทั้งนั้นมาใช้ที่นี่เราก็วิ่งพราะมองมองอยากจะให้เหมือนเขาผลที่สุดเราเตือนไม่ตามเขาไม่ได้ก็คอร์รัปชันขึ้นมาที่นี่โคดโกงนั่นโคดโกงนี่ผลสุดก็เลยเขาก็เลยไล่ออกจากการจ้างงานไปอันนี้แหละ ท่านบอกว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มองตนให้รู้จักประมาณตนในการเป็นอยู่ในการดำรงชีพของตนเองให้รู้จักพอเพียงให้รู้จักประมาณตนอย่าไปใช้ฟุฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟยสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่มันเกิดไม่เกิดประโยชน์เราใช้สิ่งนี้มามันไม่เกิดประโยชน์เราควรจะตัดออกอตัดออกในสิ่งที่มันเกินไปใช้ในสิ่งที่มันพอเพียง เพรนั้นพวกเราทําได้อย่างนั้นแล้วหลวงพ่อว่าการบริหารจัดการตัวของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทีเดียวแต่ถ้าว่าพวกเราจัดการบริหารไม่ถูกแล้วความเดือดร้อนอุ่นวายไม่ไปที่อื่นหรอกมันจะมาสู่ครอบครัวของเราตัวของเราเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ครอบครัวของเราต่อมาก็รับสัมและสายพอเงินหมดกระเป๋าแล้วก็ตั้งพ่อเจ้าบ้านแม่เจ้าบ้านลูกเต่าความคิดความอ่านก็แปลกแตกต่างกัน บ้านแตกสแลายขาดได้ไง่ายๆถ้าพวกเราบริหารจัดการไม่ถูกต้องเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธพุทธมาลรมา ก, ก ะ, พาะพกระพุทธเจ้าสอนให้ให้รู้ให้ฉลาดให้มีความคิดให้ใช้จิให้ใช้ปัญญาบริหารจัดการครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นครอบครัวของเราจะได้ครอบได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและก็พร้อมกันนะพร้อมกันก็หลวงพ่อจะย้ําเป็นอันสุดท้ายว่า ปฏิโระเทศวะโสจา่าที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่าปฏิโรปเทสวะโสจะพวกเราเกิดมาในประเทศอันสมควรคือประเทศไทยเป็นป ร, ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองโดยธรรมท่านพูดโดยธรรมอันนี้แล้วว่าปฏิูประเทสวะโสจ่ปุปเพจกตะปุญยตาพวกเราคงจะได้เคยทําบุญทําบุญสร้างกุศ สร้างบุญสร้างกุศลไว้ในอดีตชาติบางทีพวกเราอาจจะได้เกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานะเ อ, อพอเกิดขึ้นมาพอตายจากศาสนาของพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียแล้วพวกเราก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ใช่ไหมพอสู่สวรรค์เสร็จแล้วเ อ, อเราจะลงไปเกิดที่ไหนดีนาะเออประเทศไทยนะพระเจ้าแผ่นดินปกครองโดยธรรมแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเาลาลอลอเราก็คิดวเราก็ลงมาเกิดที่นี่ มาเกิดที่นี่เราก็เลยนับถือพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอันนี้ว่าปฏิรู ป, ปรเทสวาโสจะปุเพจคตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทำบุญไว้ในอดีตชาติจะมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้นะอัตตะสัมมาปณิทิไอ้ค่ะว่าวถ้าว่ามุกพวกเราได้มาเกิดที่สถานที่แห่งนี้แล้วพวกเราลืมตัวบัดนี้ยพอเกิดขึ้นมาแล้วลืมตัว เล่นสมัติเลเทเมากินเหล้าเมายาไม่ตั้งตัวให้ดีขาดศีลธรรมไม่มีศีลธรรมประจําตัวออกจากชาตินี้ไปหลวงพ่อว่าตกต่ําำนะทีนี้นะเพราะเหตุไรเพราะเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเพราะฉนั้นพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบควรจะมีศีลธรรมประจำํำกายไปประจําวาจาประจําใจของเราเพื่อจะได้ออกจากชาตินี้ไปก็ไปสู่สวรรค์พบภูมิใดพบภูมิหนึ่ง เกิดมาพบหน้าชาติหน้าก่อนในวนกลับมาเกิดในเมืองไทยอีกในนับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราไปเกิดผิดที่ผิดทางนะไปเกิดบนเขาเป็นแมวเป็นกระเลียงเป็นลูกหนูหนูเป็นน ก, นน เ, ปนนกเป็นไก่เป็นกาหมูหมากาไกไ่ไปแปลว่าหมดอนาคตเพราะฉะนั้นตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดบางตน้นพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วบุญกุศลนี่แหละจะพานําพวกเราไปสู่ความสุขบุญ คือเหมือนกับเทียบเทียบกับเหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินกับคนเหมือนกับคนมีบุญถ้าหากว่าคนเราไม่มีบุญเกิด ม, มาไม่มีบุญก็เหมือนกับคนไม่มีเงินเหเพราะฉะนั้นเงินกับบุญเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ 2012, มัน ค, คล้ายคล้ยกันนะแต่ว่าเมื่อเรามีเงินแล้วเราจังเอามาทําบุญอีกบุญแปลว่าสูงสุดสูงกว่างเงินถ้าใครเรามีเงินแล้วยังเอามาทําบุญแปลว่าคนมีบุญแล้ว พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญเต็มเปี่ยมหมดทุกอย่างเพราะนั้นพวกเราที่มาในวันนี้ก็เพื่อการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังความรู้ความฉลาดพวกเราก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็ขอให้นาไปคิดนาไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้แสดงให้ฟัง พ่หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนําไปปรับปรุงแก้ไขกายว่าจาใจของเราให้ดีขึ้นแล้วก็พร้อมกันก็หลวงพ่อขอย้ําเป็นประเด็นสุดท้ายพวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่รู้ว่าวันไหนจะจากกันไปเพราะพวกพ่ อ, พ อ, พอแม่ปู่ย่าตายายก็จากไปมากต่อมากแล้วแต่พวกเราก็จะต้องเดินตามเดินตามไปสายนั้นละ่ะ วีซ่ามาถึงเมื่อไหรเมื่อนั้นพวกเราก็จะต้องเดินทางแน่นอนไม่ต้องสงสัยจะต้องเดินทางแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเมื่อวีซ่ามาถึงแล้วเราจะคิดว่าโอ้ขา ย, ยังไม่ได้ทำบุญวันนั้นไม่ได้นะแปลว่าหมดโอกาสแล้วเพราะวีซ่ามาแล้วเขาจะต้องเอาขึ้นเครื่องบินแล้วส่งไปต่างประเทศแล้วเพราะนั้นเมื่อไปทางประเทศเราไม่มีไม่มีเงินเราจะทำยังไงตัทุกข์ได้ยากเพราะว่า คนไม่มีเงินไปต่างประเทศแล้วมีแต่ทุกข์ลูกเดียวคนไม่มีบุญก็เช่นนั้นเหมือนกันนะวิญญาณที่ไม่มีบุญก็ตกทุกข์ได้ยักษเพราะฉะนั้นพวกเราอยากประมาทให้เตรียมพร้อมสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆให้ทานบั่งรักษาบิณฑบาบั่งภาวนาบั่งช่วยช่อช่วยช่องคอชุมชนสังคมประเทศชาติล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศลอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นแพทย์เป็นหม อ, อเหมือนกันที่ได้ช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ ถ้าเราทําด้วยความตั้งอกตั้งใจออการช่วยเหลือเพื่อนชีวิตของมนุษย์พวกเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากถ้าหากพวกเราทําเป็นสินค้าหรือว่าทําแต่แต่สั ก, กแต่ว่าทำเท่านั้นเองมันก็ไม่เป็ น, ปนบุญเป็นกุศลถ้าทําด้วยน้ําจิตด้วยน้ําใจส่งเสริมชุมชนสังคมประเทศชาติช่วยเหลือเพื่อนชีวิตของเขาถ้าเมื่อเขาหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วเขาจะได้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาจะได้เป็นคนดีของชาติ เราพยายามคิดอย่างนั้นไม่อยู่เสมอการรักษาเขาเมื่อเขาหายแล้เขาก็ได้เป็นคนดีพวกเราก็ได้บุญได้กุศลจากเขาที่การกระทําดีของเขาอันนี้แหละขอให้พวกเราท่านทางหลายตั้งอกตั้งใจและ ก, การภาวนากับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทหายใจออกโถงทาใจให้สบายสบายทําใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจิตใจของเรามีหลักเมื่อจิตใจมีหลักจิตใจจะไม่ว้าเหวจะไม่อ้างว้างจะไม่เงียบเหงาจะไม่ซึมเศร้าคนที่มีมีหลักจิตใจดีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติพอสูงอายุ ข, ขึ้นมาลูกเต่าไปคนละทิศคนละทางถึงจะมั่งมีสีสุขมีเงินคําทรัพย์สมบัติ แต่ลูกเต่าไม่อยู่ด้วยถึงวันนั้นพวกเราจะรู้สึกนะนิสัยซึมเศร้าจะเข้ามาถึงที่มาแทนที่พวกเราเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้ภาวนาทําจิตให้สงบพึ่งใจตัวเองข้าเกิดมาข้าเกิดมาคนเดียวถ้าข้าตายไปข้าตายไปคนเดียวไม่มีใครที่จะตายกับข้าเราข้าเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวข้าพเจ้าเกิดมาก็เพื่อพึ่งบุญพึ่งกุศลของข้าเอง ตายข้าตายไปก็ข้าก็ต้องพึ่งบุญกุศลของข้าเป็นผู้กระทำเองถ้าเรามีจิตใจมัน่แนแน่วแน่มีจิตใจมุ่งมัน่นมีจิตใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้แล้วแปลว่าเป็นผู้มีหลักใจอยู่ในสถานที่ใดจะไม่ว้าวจะไม่อ้างว้างจะไม่เงียบเหงาจะไม่ซึมเศร้ายึดพุทธโธธรมโมสมคยึดคุณงามความดียึดบุญกุศลเป็นหลักจิตหลักใจเพราะนั้นหลวงพ่อได้พูดได้แสดงมาวันนี้ก็ เห็นว่ายาวพอสมควรนะ อ, อ, ะอะเพราะนั้นขออวยพรให้แก่คณะสัทย า, ญญาติยมทุกท่านที่มาฟังในวันนี้ก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปราถนาทุกประการเทิน